สังคาที่เศษสิขาบทที่6ว่าด้วยการส่งเสริมภิกษุณีให้รับโภชนะจากเมชายผู้กำหนัดเรื่องภิกษุณีสุนทรีนันธา704สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีสุนทรีนันธามีรูปงาม น่าดูน่าชมคนทั้งหลายเห็นภิกษุณีสุนทรีนันทานั้นที่โรงฉันต่างก็กำนัดจึงถวายอาหารที่ดีๆแก่ภิกษุณีสุนทรีนันทานแต่ภิกษุณีสุนทรีนันทานมีความยำเกรงไม่ยอมรับประเคนภิกษุณีผู้นั่งถัดกันได้กล่าวกับภิกษุณีสุนทรีนันทานั้นดังนี้ว่าแม่เจ้าเหตุไรท่านจึงไม่รับประเคน นางตอบว่าแม่เจ้าเพราะพวกเขาเป็นผู้กำหนดภิกษุณีนั้นถามว่าก็ท่านกำหนดด้วยหรือนางตอบว่าแม่เจ้าดิฉันไม่กำหนดภิกษุณีนั้นพูดว่าแม่เจ้าชายผู้นี้จะกำหนดหรือไม่กำหนดก็ทำอะไรท่านไม่ได้เพราะท่านไม่กำหนดนิมนเถิดแม่เจ้าชายผู้นี้จะถวายของเคี้ยวหรือของฉันก็ตามท่านจงรับประเคนของนั้นด้วยมือของตนเอง แล้วเคี้ยวหรือฉันเถิดบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตำหนิประนามพลธนาว่ฉาฉนัยภิกษุณีจึงได้กล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าชายผู้นี้จะกำหนดหรือไม่กำหนดก็ตามก็ทำอะไรท่านไม่ได้เพราะท่านไม่กำหนดนิมนเถิดแม่เจ้าชายผู้นี้จะถวายสิ่งใดจะเป็นของเคี้ยวหรือของฉันก็ตามท่านจงรับประเคนของนั้นด้วยมือของตนเองแล้วเคี้ยวฉันเถิด